อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณซึ่งมีจัดเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นช้าวนั น, วนอ่าวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะวันนี้เป็นวนันขึ้นหนึ่งา่ำเดือนหนึ่งนะคะเป็นวันขึ้นต้นปีมะโรงกันแล้วค่ะดังนั้นในเช้าวันนี้ อย่างเคยนะคะว่าทุกๆเช้า ว, วันจันทร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้รับเกียรติที่จะมาเป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะมากราบเรียนสนทา น, นาธรรมะหรือที่เราทราบกันดีว่าก็คือการสาักการะกับท่านพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เมตตาที่จะเป็นวิทยากรประจําในรายการ ธรรมราบารุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งท่านก็ได้เมตตาที่จ ะ, ะมาะพูดคุยให้แง่ายคิดในแต่ละวันวันธรรมดาก็จะสับเปลี่ยนกันไปมีทั้งการตอบจดหมายด้วยแต่ในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเป็นเรื่องของการสนทนาธรรมะหรือว่าสากชากันนะคะสำหรับพระอาจารย์พิบูลพิบุโนนี่ท่านก็เป็นผู้การของหลักสูตร อ, อบรมนะคะของทางวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศภอําเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านก็เป็นผู้ํานวยการหลักสูตรที่จะอบรมธรรมะตามพุทธโอษนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมรับปรุญคงจะทราบกันดีว่าทางวัดป่าดอนหายโศซึ่งมีพระเดชพระครุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิตโตภาโสหรือท่านพระคูณศรีที่ป้าพากล ท่านเป็นเจ้าจอาวาสนานเนี่ยท่านก็เมตตาที่จะให้ออนุญาตที่จะให้ท่านพระอาจารย์ไปบุญอภิพุโนโนั้นเนี่ยได้จัดคอร์อสอบรมดีๆที่จะทําให้จิตใจของพระสงนิกรหรือว่าบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวไทยเรานั้นเนี่ย อ, อยู่ในทางที่ถูกที่ควรในทางที่สงบแล้วก็มีจิตใจที่เป็นสุขมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะ เกิดมานานเลยนะคะก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัส ก, การพระอาจารย์เพรบ์อภิบุญโนซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรที่จะมาสาธกช้าหรือสนทนาธรรมะในเช้าวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนในวันนี้ซึ่งเป็นวันขึ้นต้นของปีมโรงก็เป็นปีนักษัตรใหม่แล้วนะคะ ขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ัรสการท่านพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำพรสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพรสาธุเจ้าค <Champ agne. S 2> ่ะสหรับในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าค่ะก็มีคาถามที่เขาเขียนเข้ามาเรียนถามพระอาจารย์ผ่านทางเว็บไซต์พิเอลธรรมะดอนะเจ้าค่ะ โยมก็จากจะขอหยิบยกขึ้นม า, าเรียนสนทนาสักถามพระอาจารย์เลยนะเจ้าคะแต่ก่อนอื่นต้องขอออกตัวนิดนึงว่าคําคถามที่ท่านาผู้ใช้นามว่าคุณเทียนทองได้เขียนมาถามเนี่ยนะเจ้าคะก <_ s 2> <ค>็จะเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าเกิดขึ้นจริงในครอบครัวแล้วก็พี่น้องเนี่ยหลายครอบครัวในประเทศไทยเรานะเจ้าคะ <_ s 2> อาจจะเป็นเรื่องการเมืองนิดนิด ก็ยังเกรงใจพระอาจารย์อยู่เจ้าค่ะว่าอาจจะสะดวก oh, ไหม oh. เพราะว่าพระอาจารย์เป็นสมณะเพศนะเจ้าค่ะที่จะตอบเรื่องการเมืองย่อมขออนุ ญ, ญาตอ่านก่อนนะกันนะเจ้าค่ะ oh. ได้คุณเทียนทอง ก, ก็เขียนมาอย่างนี้เจ้าค่ะบอกว่าครอบครัวของดิฉันมีความคิดแตกต่างกันในด้านการเมืองมากคนละขั้วดิฉันเองก็พยายามรับฟังความเห็นที่ความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยความสงบแต่ก็มักจะทางไม่ค่อยได้ อารมณ์ของดิฉันมักจะขุนมัวถ้าเกิดมีความเห็นที่ไม่ดีกับทางฝ่ายที่ดิฉันชื่นชอบนิยมอยู่บางครั้งดิฉันเองก็ยอมรับกับตัวเองเลยว่ายังทําไม่ได้ทําความจริงให้ปรากฏแค่พูดจาให้ร้ายดิฉันก็จะเถียงแทนแหละอันนี้ก็เลยเป็นเหตุทําให้บรรยากาศในบ้านนั้นไม่มีความสุขเลยดังนั้นคุณเทียนทองก็เขียนมาถามนะเจ้าคะว่าดิฉันไม่อยากให้บรรยากาศเป็นเช่นนี้ จึงปลีกตัวมารับฟังข่าวสารต่างๆที่บ้านคือไม่รับฟังเลยนะเจ้าคะ่ะไม่จึงปลีกตัวไม่รับฟังข่าวสารต่างๆที่บ้านเวลาที่บ้านจะพูดเรื่องการเมืองซึ่งอยู่คนละขั้วกันหรืออะไรนี่ก็ก็จะไปพูดกับคนที่นิยมไปในทางเดียวกันคื อ, อซึ่งซึ่งทางคุณเททองเองก็บอกว่าอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะถูกต้องอดังนั้นก็เลยกราบเรียนถามพระอาจารย์พบูลมาเจ้าค่ะว่า ทำอย่างไรหรือว่ามอาีอุบายอย่างไรที่จะหลอกจิตให้เราอยู่กับเหตุการณ์นั้นได้โดยที่มีจิตที่สงบแล้วก็ไม่โมโหนะเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ยมเชื่อมั่นว่ามีหลายครอบครัวเป็นอย่างนี้เจ้าคะ่ะบางทีบอกอไม่อยากคุยกันเลยคุยเรื่องอื่นได้ร้อยแปเกจ้าค่ะแต่พูด คุยเรื่องสีเรื่องการเมืองนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยถูกคอกันเพราะว่ารถนิยมไม่ตรงกันอา น, นิยมก็เกรงใจเหมือนกันนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องทางด้านการเมืองนิดๆไม่ทราบว่าจะจะเป็นการรบกวนพระอาจารย์ไหมเจ้าค่ะที่จะเมตตาสาักฉาในประเด็นนี้เจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะอต้องทําความเข้าใจกับคุณเตือนใจกับท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนคือเรื่องที่คนทั่วไปจะพูดกันลงตัวในเมืองไทยได้นะก็จะมีเรื่องการจราจรนะมันก็ติดขัดเหมือนกันทุกคนโดนหมด เรื่องดินฟ้าอากาศคุณอยู่บริเวณเดียวกันคุณก็จะโดนหมดเหมือนกันแต่พอมาพูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งตอนนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยก็เลยมีความแตกต่างกันในครอบครัวบ้างพ่อเอาอย่างนี้แม่เอาอย่างนี้ทีนี้ถามว่าในกรณีของพระสงฆ์เนี่ยซึ่งเราไม่ยุ่งกับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะที่หมายถึงตามตามมติของมาเทระสมาคมใช่ไหม ทีนี้เวลาการเมืองเนี่ยหมายถึงอะไรคือพระเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของการปกครองเรื่องของการจัดการเรื่องของการบริหารงานซึ่งมันมีอยู่ในทุกสัดส่วนถามว่าคนไทยอ่ะมาเป็นพระใช่ไหมบินทบาทอยู่ในเมืองไทยอ่ะเรื่องการบริหารงานจัดการอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานการสงศ์ก็อยู่ส่วนรัฐบาลซึ่งก็เป็นระบบการเมืองเหมือนกัน หรือว่าในคณะสงเองก็มีการจัดแย่งการจัดการนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองการปกครองเหมือนกันหรือว่าแม้แต่คนบริหารงานจัดการเนี่ยคุณยังก็จะต้องมีธรรมะมีศีลมีธรรมะสาหรับผู้ปกครองมีสําหรับธรรมะสาหรับการมีบริวารมากมันมีหมดเพราะฉะนั้นถามว่าธรรมะไม่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยพูดไม่ถูกแค่เราไม่เลือกตั้งนะแต่ว่าธรรมะกับการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกันจริงๆดูนักการเมืองไม่มีธรรมะแล้วเป็นยังไงบ้านเมืองล่มจมมีปัญหามีการโกงคนไปติดกุ๊ก ในะบ้านเมืองไม่มีธรรมะประชาชนไม่มีธรรมะเป็นยังไงโอ้ยคดีความในศาลมีเพียบเลยตอนนี้ค้างตึงอยู่รอคิวกันเป็นหลายๆร้อยคดีนะเพราะว่าคนไม่มีธรรมะเพราะฉะนั้นทําให้การบริหารปกครองบ้านเมืองมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าธรรมะพระไม่เกี่ยวกับการเมืองพูดไม่ได้เลยต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวเต็มๆเมพียงแต่เราไม่เลือกตั้งเท่านั้นเองไปเลือกตั้งเขาก็ไล่หลอกอกมาจากบูธเลือกตั้นน ะ, ะ, ะทีนี้ประเด็นเรื่องเกี่ยวพระกับ ก, บการเมืองเนี่ยก็คงจะพูดได้ ในอย่างในเรื่องนี้เนี่ยที่ว่าในครอบครัวเดียวกันแหมจะมาเห็นใจคุณเจียนทองมากเลยจริงๆคําถามเนี่ยได้พูดไปนิดหนึ่งในวันพุธเพราะว่าตอนนี้อาตมามาจัดรายการธรรมารัตน์ทุกๆวันใช่ไหมวันพุธก็จะนําคําถามเนี่ยมาตอบแต่ตอบคําถามนี้ไปได้นิดเดียวเวลาหมดซะก่อนก็เลยจะเอาคําถามนี้มาพูดในที่นี้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ลองคิดดูนะท่านผู้ฟัง สมมติว่าฟาังครอบครัวก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรจึงจะอธิบายปัญหาให้ชัดเจนนิดหนึ่งก่อนอย่างสมมตินั่งรับประทานอาหารร่วมกันอย่างนี้คุณเตือนใจฟังข่าวอยู่เนี่ยฟังข่าวข่าวนี้คักสักข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองขึ้นมาปรากฏพ่อก็พูดมาอย่างนี้ลูกก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็เห็นอีกอย่างหนึ่งพี่น้องแต่ละคนเห็นคนละอย่างหมดเลยกินข้าวไม่สนุกเลยกินข้าวไม่อร่อยเลยบางทีบางคนนะบางครอบครัวลุกระหว่างมื้ออาหารยังไม่ทันเสร็จก็ไปละแล้วฟังไม่ได้ ต้องทำความเข้าใจนะในเรื่องนี้ก่อนอย่างกลยุทธ์ของคุณเทียนทองเนี่ย mm. ก็เลยจะปลีกตัวในการที่จะไม่รับข่าวสารเรื่องพวกนี้ในขณะที่อยู่กับพ่อแม่ใช่อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ดีแล้วก็ส่วนอื่นๆ น, นะ mm. ก็จะอธิบายให้ทราบอย่างนี้ว่าต้องถามท่านผู้ฟังเลยร่างกายที่เราได้มาทุกวันเนี่ยนะมารดาบิดาให้มานะแล้วมารดาบิดาเนี่ย เป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเพราะฉะนั้นบุญคุณของมารดาบิดาเนี่ยมีมากมากชนิดที่เรียกว่าเราเอาท่านทั้งสองเนี่ยนะมาแบกบนบ่าป้อนข้าวป้อนน้ําอาบน้ําเช็ดถูทําความสะอาด ร, ร่างกายให้ตลอดร้อยปีนะถ้าแบกไม่ไหวให้คนอื่นมาช่วยแบกด้วยจ้างคนอื่นมาช่วยแบกคุณยังทดทดแทนบุญคุณท่านไม่หมดเลยนะแต่ว่าคนที่มาปกครองประเทศนักการเมืองเป็นต้นคุณเพิ่งรู้จักเขาไม่กี่สิบ ป, ปีนี่เองนะ ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคุณรู้จักมารดาบิดาคุณก่อนหรือพ่อแม่ก็ตามคนที่ฟังรายการนี้อยู่ฟังให้ดีคุณรู้จักลูกคุณก่อนนะลูกคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณอุปการะเขามาตั้งแต่เขายังเด็กตั้งแต่คลอดเพาะออกมาจากครรภมารดานักการเมืองนี่มาทีหลังทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงบุญคุณที่มีแล้วเนี่ยมารดาบิดามีมากกว่ามากไม่ต้องพูดถึงนักการเมืองเลยอ้าวยกตัวอย่างแค่ว่า ถ้าเราสถาปนามารดาบิดาเรานะขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครองดินแดนทั่วมหาสมุทรทั้ง4นะจนจรวดมหาสมุทรทั้ง4ด้านทั่วโลกมีกษัตริย์องค์เดียวเราสถาปนาท่านทั้งสองนี่ให้เป็นกษัตริย์ปกครองทั้งหมดเรายังทดแทนบุญคุณท่านไม่ได้เลยดูอย่างเวลาเราเจอในหลวงเนี่ยเรายกมือไหว้ระ ก, ะกราบท่านกราใช่ไหมเจอพระก็กราบท่านถ้าคุณกราบพระสงฆ์กราบในหลวงคุณควรจะต้องกราบมารดาบิดาอย่างนั้นเหมือนกันนะด้วยความที่ท่านมีบุญคุณมาก เพราะฉะนั้นมารดาบิดาเราเป็นมีบุญคุณมากขนาดนี้ท่านผู้ฟังอาจจ ะ, ะมขีข้อสงสัยว่าเอาแล้วการตอบแทนอย่างไหนถึงจะถูกนี่คือประเด็นที่อาตมาจะพูดให้ฟังว่าบางทีมารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสอยู่อาจจะไหลไปตามกระแสที่เขาพัดพามาบ้างกระแสข่าวบ้างกระแสบ้านเมืองบ้างเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของลูกนะถ้าคุณจะตอบแทนมารดาบิดาเนี่ยให้ตั้งอยู่ในศีล ให้ตั้งอยู่ในจาระให้มีศรัทธาให้มีปัญญาถ้าท่านเป็นคนไม่มีศีลท่านพูดโกหกท่านพูดด่าคนอื่นหรือว่าประพฤติไม่ดีเราต้องด้วยกุศโลบายทุกวิถีทางต้องทําให้ได้แต่ถ้าเป็นคนข้างบ้านเราก็ไม่แคร์ล่ะเขาจะเห็นเหมือนเ ห, เห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านเห็นต่างกับเรานะมารดาบิดาเห็นต่างกับเราใช่ไหมเราต้องทําทุกวิธีทางไม่ใช่ให้ท่านเห็นเหมือนกับเรานะให้ท่านมีศีล นะด้วยวิธีทางไงก็แล้วแต่ให้ท่านมีศีลให้ได้ให้ท่านอยู่ในศีลทําให้ได้แล้วไอความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยอรมาจะบอกให้มันเพิ่งมาหลังๆนี่หรอกบุญคุณที่มัณฑะปิดาให้เรามาเนี่ยมันมากล้นพ้นประมาณนะเอาไปเทียบกันไม่ได้เลยดูอย่างนะักการเมืองทั้งหมดที่มีอยู่นะถามว่าอยู่กับคุณไหมเขามาอยู่บ้านเดียวกับคุณไหมเราชอบเขาในเขารู้จักเราไหมแต่มารดาบิดานี่เรารู้จักกันน ะ, ะแล้วก็เวลาที่เขา ออมีปัญหาอะไรใครเป็นคนที่รู้ก่อนใครเป็นคนที่แก้ปัญหาให้คุณก่อนก็มีแต่คนที่อยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นน่ ะ, ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะต้องมาทะเลาะกันเพราะเหตุ น, นี้นะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาทะเลาะกันให้สมามัคคีกันไว้นะพูดอะไรที่ไม่เข้าหูเราก็อดทนเอาไว้นะความเห็นพวกนี้มันมาทีหลังเท่านั้นคุณเดินใจ <S <S ประเด็นที่ประเด็นหนึ่งที่อธิมารต้องการพูดถึงคือว่าไม่ใช่ว่านักการเมืองเนี่ยมาไม่ดีนะดีนะ คนที่มีศีลเนี่ยดีนะคนที่มีศีลธรรมคนที่ตั้งอยู่ในศีลคนที่มีเจริญอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมเขาก็จะเป็นนักการเมืองที่ดีได้เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีได้อย่างเวลาเราไปเลือกเนี่ยที่อาิมาเคยพูดใ น, ในรายการคุณเตือนใจคงจะจําได้ว่าถ้าเราเลือกลำเอียงเพราะรักใช่ไหมลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวเนี่ยชื่อว่าคุณกระทํากรรมอันเป็นบาปถ้าคุณกระทํากรรมอันเป็นบาป คุณต้องได้รับผลนะคุณเลือกตั้งเลือกเขาเพราะว่าเขาให้ประโยชน์เราเลือกเขาเพราะว่าป้ายหาเสียงสวยเลือกเขาเพราะว่าเขาหน้าตาดีไอ้พวกนี้เป็นลําเอียงเพราะารักโกรธกลัวหลงทั้งนั้นค่ะเออซึ่งซึ่งยังไม่ดีถ้าไม่ดีอย่างนี้เราเราจะเลือกอยังไงก็เลือกดูที่ว่าเขาเป็นคนดีในเรื่องของศีลไหมนะมีวิสัยทัศน์ไหมมีสมาธิวิสัยทัศน์โดยดูที่สมาธิใช่ไหมเ อ, อ่อความ สมาธิเนี่ยดูที่ความที่เขาเวลาตกอยู่ในสถานการณ์เขายังควบคุมสติอารมณ์ได้ไหมใช่ัหมแล้วก็ดูที่ว่าเขามีปัญญาไหมก็ดูเวลาที่เขาพูดนะเขาแสดงถึงวิสัยทัศน์ไหมแสดงถึงความที่เขามีปัญญาไหมถ้าก็เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราเลือกเขาได้อย่างไรก็ตามพวกนี้มาทีหลังหมดมารดาบิดามีบุญคุณมากกว่านี่คือระดับที่อยู่คนอยู่รอบตัวเรานะคนอยู่รอบตัวเราเนี่ยคือมารดาบิดาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นวงกลมที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด นะเราจึงจะต้องเคารพคนพวกนี้พวกนี้มีความสําคัญในระดับที่ใกล้ชิดนะถ้าจะเปรียบเหมือนก็คือเหมือนอากาศที่เราหายใจเข้าอยู่ทุกวันเหมือนอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ไหมายความว่าพวกนักการเมืองหรือชนชั้นปกครองไม่มีบุญคุณไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าไม่มีบุคคลพวกนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีชาติอยู่เราก็จะไม่มีระบบระเบียบอะไรที่อยู่ในบ้านเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นชนชั้นปกครองจึงมีความสําคัญในที่นี้หมายถึง บุรันพบรบุตของเราเนี่ยคุณเตือนใจที่ตั้งชาติไทยกันมานะก็คือมีราชวงศ์จั ก, กรีใช่ไหมเจ้าค่ะมีระบบพระหมหากรรษัตริย์ที่แสดงสร้างความอบอุ่นในชาติให้ชาติเนี่ยอยู่ร่มเร็นเป็นสุขพวกนี้เป็นคนมีบุญคุณและเราก็ควรจะตอบแทนบุคคลผู้มีอุปการะเราเช่นนี้เหมือนกันประเด็นตรงนี้ที่อาจมาต้องการพูดถึงคือการผู้การที่เรามีอุปการะนั่นคือคนที่มีอุปการะเราก่อนเนี่ยเราต้องตอบแทนท่านจะมาในกรณีนี้คือมารดาบิดา ท่านจะดีท่านจะชั่วยังไงนะเราต้องออสามัคคีกันไม่ดา่าไม่ว่าแต่ด้วยกุศโลบายแบบไหนก็แล้วแต่เถอะคุณทําให้ท่านเนี่ยเป็นคนมีศีลมีจาระมีศรัทธามีปัญญาให้ได้ก็แล้วกันในวงกลมที่2ถัดมานะคือชนชั้นปกครองชนชั้นปกครองในที่นี้ก็คือกรรษัตริย์นะคือชนชั้นที่ตั้งประเทศนี้ขึ้นมาให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนะมีใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ไม่มต้องมาเบียดเบียนกัน แล้วก็มีความสุขในการดํารงชีวิตสามารถมีพ่อแม่พี่น้องให้อยู่เป็นสุขได้คือถ้าชาติบ้านเมืองไม่สงบเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็จะอยู่ไม่เป็นสุขละเพราะฉะนั้นระดับที่2ที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือระดับของชาติอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่เขาอุปการะคนหมู่มากอย่างบรรพบุรุษของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยตั้งแต่ตั้งชาติบ้านเมืองขึ้นมาใช่ไหมท่านก็พยายามที่จะสร้างบ้านเมืองให้เป็นสุขให้อิ่มหนำถูกไหมด้วยการมีระบบระเบียบระบบการปกครอง ตั้งแต่มาสมบูรยานยาสิทธิราชจนมาถึงระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันใช่ไหมมอบหมายอำนาจผ่านทางนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นระบบการปกครองทําให้ชาติบ้านเมืองเรามีความสุขได้บ้างมีอันเป็นอยู่เป็นกินได้บ้างนะนี่คือระดับที่สองที่เราจะต้องตอบแทนบุคคลที่อุปการะเราก่อนเจ้าค่ะในระดับที่3ถัดมานั่นคือระดับของจิตใจนั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศธรรมะเอาไว้ ะอุปการะเราในเรื่องของความรู้ตรงนี้เนี่ยอาตมาต้องขอบอกท่านผู้ฟังแล้วก็คุณเตือนใจด้วยว่าถ้าอาตมาไม่มาศึกษาคําสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามารดาบิดาเรามีบุญคุณมากขนาดนี้เราจะไหลไปตามบ้านเมืองไหลไปตามกระแส ท, ที่ทําให้เราหลงผิดไปทําความผิดไป is is แต่พระเจ้าเนี่ยสอนถึงความมีบุญคุณของมารดาบิดาไว้มากเพราะฉะนั้นทําให้เรารู้ว่าโอ้มารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากเราไม่ควรจะไหลไปตามกระแสความรู้ตรงนี้เป็นบุญคุณมหาศาลนะ ที่ทําให้เราไม่ไหลไปผิดเพื่ะนันพระรุเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณมากเราจะต้องตอบแทนด้วยเหมือนกันจุ๊บ่ะเพราะฉะนั้นจึงมีสามระดับตรงนี้ที่อาตมากาลังพูดถึงระดับแรกคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามารดาบิดาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเจ้านายลูกน้องเพื่อนเราพวกนี้ทั้งหมดเราจะต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันเราอย่างสมมติเราเป็นภรรยาอย่างเงี้ยสามีเห็นต่างกันถ้าเราเป็นภรรยาผู้มีอุปการะอย่างเงี้ย ภรยาที่เปรียบด้วยผู้มีอุปการะเนี่ยเราจะต้องห้ามเขาจากความประมาทให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะเป็นต้นเรามีเพื่อนนะที่เขาด่าว่าคนอื่นเอา้าเราพอเตือนได้เราค่อยเตือนเขาเราจะเป็นเพื่อนผู้มีอุปการะเขาไดนะ้นี่คือวงกลมที่ใกล้วงกลมใกลอา่าถัดออกมาอีกนะคือระบบชนชั้นปกครองนั้นะในที่นี้เราควรจะย่องระบบกษัตริย์นะที่ตั้งประเทศไทยนี้ขึ้นมานะแล้ววงกลมสุดที่3ก็เป็นระบบของ คำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของจิตใจนะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบตรงนี้คืออาตมาไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนสําคัญกว่าอันไหนคือมันสําคัญทั้งหมดอ่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่าอาหารสําคัญกว่าสําคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มหรือว่าเครื่องนุ่งห่มสําคัญกว่ายารักษาโรคหรือยารักษาโรคสําคัญกว่าที่อยู่อาศัยมันพูดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันสาคัญหมดในนี่คือปัจจัยสีขั้นพื้นฐานเจค่ะหรือบอกว่าคุณไม่ต้องการปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานคุณเอาแต่อากาศได้ไหม หายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าไม่มีข้าวกินมันก็อยู่ไม่ได้ใช่หมเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคือหมายความว่าการต้องตอบแทนบุญคุณเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทำความดีอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตอบแทนบุญคุณในระดับนี้เนี่ยจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสุขได้เจ้าค่ะแล้วสำหรับที่ทางคุณเทียนทองเขียนถามมานะเจ้าค่ะ คุณเทียนทองก็บอกว่าคนในครอบครัวเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ไพบุญได้เมตตาที่จ ะ, ะชี้แนะในด้านของที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่น้องคือวงที่ใกล้กับตัวของเรามากที่สุดนะเจ้าคะทีนี้ในกรณีที่เป็นสามีภรรยาเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์เมตตาที่จะพูดแต่นิดห น, นึ่งทีนี้โยมอยากจะข อ, อะดีความอย่างนี้เจ้าคะว่าสำหรับคุณเทียนทองนิโยมเดา ว, ว่า อ่าถ้าสมมุติเป็นกรณีการขัดแย้งทุ่มเถียงกันอะไรต่างๆเนี่ยกับสามีเราเจ้าค่ะที่ว่าชอบกันคนละสีอะเจ้าค่ะพูดง่ายๆนะเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าเออเราก็ต้องอถือหรือว่าให้เขาเห็นในทางที่ชอบที่ถูกที่ควรใช่ไหมเจ้าค่ะตรงนี้เราจะมีอุบายยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยคือบางทีอาจจะความเห็นต่างกันได้นะเจ้าค่ะ แต่ว่าทํายังไงเราจะมีอุบายที่ทําให้อยู่กันอย่างสงบเจ้าค่ะคือใครเชื่อใครชอบอะไรก็ชอบไปแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบไม่โมโหกันนะเจ้าค่ะนีแหละประเด็นนี้คือเราโดนจิตหลอกคุณเตือนใจที่คุณเตียนทองบอกว่าเราจะหลอกจิตยังไงเพราะจิตมันหลอกเราอยู่จิตมันหลอกให้เรายึดถือในสิ่งนี้มีครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับชายคนหนึ่งเนี่ยตาบอดมาตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นสีแสงอะไรต่างๆหรอก ก็มีคนหนึ่งมาบอกเขาว่าผ้าขาวเนื้อดีเนี่ยเป็นของดีนะแต่ปรากฏว่ามีชายอีกคนหนึ่งเอาผ้าเนื้อเหลวเปื้นอนเข่าวน้ํามันเนี่ยมาหลอกเขาว่าเออหนี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีนะอิตาบอร์ดคนนี้เขาเลยเอาผ้ามาสม่มอย่างเรียบร้อยเลยแล้วเที่ยวไปโชว์คนอื่นนะว่านี่เป็นไงแต่ผ้าของฉันงดงามไหมเธออย่างนี้น ะ, ะ, ะปรากฏว่าญาติของเขาเนี่ยก็เลยหาหมอ ผู้ชํานาญในการรักษาตามาผ่าตัดตาหยอดยาอะไรต่างๆให้จนกระทั่งตาเขาหายหายดีแล้วเนี่ยพอมาเห็นผ้าเนื้อเลวเปื้อนเข่าเอ้าวนี่มันผ้าเนื้อเลวเปื้อนเข่าเมาหนิอู้ยตายละไอคนที่มาหลอกเรานี่มันชั่วจริงๆโยนจริงไปงแล้วก็เวลาเราเห็นแล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยมันมันโยนจริงได้เพราะเราโดนจิตหลอกพระรู้จ่าบอกว่านานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้เนี่ยคดโกงลอกลวงปลอมเทียมปลิ้นปล อ, อก เวลาจะมายึดถือนะก็มายึดเอาไอ้ความเห็นนี่แหละว่าเป็นตัวตนเวลาจะมายึดถือนะก็มายึดถือไอ้พวกสีส่งางๆนี่แหละว่าเป็นตัวตนอยากก่างกะมันเป็นพ่อเป็นแม่เรา <c oughs> มันไม่ใช่นะ<ช>แล้วถามว่าไอ้เมื่อสิบปีที่แล้วเมืองไทยเป็นยังไงไม่ได้มีการแบ่งสีอย่างสมัยที่อาจมาเป็นคารวาหอย่างเงี้ยพ่อยมพ่ออาจรยมา ก, ก็เลือ ก, เ ล, อกเลือกพักหนึ่งตัวเราก็เลือกพักหนึ่งแม่ก็เลือกอีกพักหนึ่งต่างคนไม่มีปัญหาอะเธอจะไปเลือกใคร เ, เราก็บอกว่าอาเดืยนเราจะไปเลือกเราจะกลับมาบอกหรอก พอเลือกเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมันเพิ่งมามีตอนหลังที่ว่าเรามีความยึดถือกันมากเพราะว่ากิเลสมันในจิตมันมันถูกเพิ่มพูนขึ้นพอกิเลสตัณหาในจิตมันถูกเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยเราจึงยึดถือถูกจิตหลอกโดยไม่รู้ตัวนะพอถูกจิตหลอกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยจิตมันหลอกเราแล้วนี่มันก็สั่งปากเราได้ให้ขยับขยับแล้วก็ด่าเขามือมันก็สั่งมือเราได้ให้ตีเขาให้ทําไม่ดีไม่ร้าย ยิงบ้านเผ า, าบ้านเผาเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะนะซึ่งตรงนี้เป็นเพราะว่าถูกจิตหลอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะทํำไงให้เราไม่ถูกจิตหลอกนะเราจึงต้องคลายความยึดถือตรงนี้นะคือบางคนเนี่ยไม่มีความมั่นใจในความถูกต้องไงบางคนเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ต้องทําอย่างนี้สิถึงจะถูกแต่อันนั้นมันผิดกับศีลมันผิดกับทํานองครองทำเราจะต้องไม่ทําแค่นั้นเองถ้าเราเป็นผู้อยู่ในมัดนะใครอุปการะเราเร า, เราต้องตอบแทน นะตอบแทนในระบบระดับของศีลธรรมอย่างตอบแทนพระพุทธเจาเนี่ยคุณต้องเป็นคนมีศีลเป็นคนมีสติมีสมาธิใช่ไหมจะตอบแทนชนชั้นของการปกครองเช่นการเมืองหรือว่ากษัตริย์ในหลวงบอกชัดเจนว่าตอบแทนบ้านเมืองทํำยังไงให้รักษาชาติบ้านเมืองอนักการเมืองต่างๆก็พูดตรงกันนะว่าคุณต้องช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองช่วยกันทํางานประเทศชาติจะได้เจริญเราก็ทําแค่นี้อะไรย่างอื่นที่ไม่ใช่แนวนี้เราไม่ทํา มารดาพีดาเราจะตอบแทนท่านอาวาพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วในเรื่องของที่6ไงคุณเดินใจจําได้ไหมว่าหน้าที่ของระหว่างภรรยากับสามีนะว่าสามีเนี่ยคุณจะต้องยกย่องภรรยานะนี่ข้อที่1ข้อที่2ไม่ด่าไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่มีนอกใจไม่นอกใจนะแล้วก็มอบหน้าที่การงานในบ้านให้ความเป็นใหญ่ให้แล้วก็ซื้อเครื่องประดับให้บ้างนะแล้วก็ไม่ด่าไม่ว่าไม่ด่าไม่ว่านี่หมายถึงว่า ไม่ต่าว่าเสียเสียหายหายะนะก็คือให้เกียรตินั่นเองนะเจ้าค่ะใช่ใช ใ, ชให้เกียรติภรรยายะแล้วก็อันดับภรรยายเนี่ยควรจะตอบแทนสามีเนี่ยนะคือประพฤติกับสามีเนี่ยด้วยการไม่นอกใจด้วยบริหารการงานอย่างดีนะด้วยการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้นะด้วยการที่คอยสงเคราะห์คนข้างเคียงเราทําหน้าที่ของเราแค่นี้เองนะแล้วเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องอะไรที่ออกนอกมัดเราไม่ทํา ถ้าคุณทําแสดงว่าคุณถูกจิตหลอกถูกสิง่งภายนอกดึงไปแล้วคุณตกเป็นทาตุของมารเจ้าค่ะเราต้องรีบถอนตัวถอนใจเราออกมาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะตรงเนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเราไปยึดถือในประเด็นนั้นมากเกินไปอย่างในวัดอย่างในอย่างพระสงฆ์ของเราเนี่ยไม่มีพระสงฆ์คืออย่างในวัดป่าดอนไหสโกรนะวัดอื่นอาตม า, าไม่ทราบนะพระจะไม่แบ่งเป็น ก, ก๊กว่าเฮ้ยนี่ก๊กเหลืองไว้ไอ้นี่ก๊กสี ผ้าเข้มอันนี้กกผ้าย้อมน้ําฝาอันนี้กกผ้าย้อมน้ําแกนขนนอันนี้กกย้อมน้ํามะม่วงอะไรไม่มีจเจราอาศัยอะไรเป็นหลักมาตรฐานเดียวคือศีลสมาธิปัญญาท่านมีศีลไหมท่านมีปัญญาเท่าไหร่เราเคารพกันอย่างนี้แล้วก็ทําหน้าที่ของเราคุณเป็นสมณะหน้าที่ทําอะไรโนนเดินจงกรมนั่งสมาธิ อ้าวคนที่สอนก็ทำหน้าที่สอนอ้าวเราเป็นอย่างครวญเราเป็นลูกใช่ไหมหน้าที่ของลูกมีต่อพ่อแม่อย่างไรรักษาวงศสกุลทำกิจการงานของท่านนะใช้งานท่านใช้งานเราก็ทำนะไม่ด่าไม่ว่าแค่นี้เองอานะเราจะอยู่สบายได้เจ้าค่ะอืมทีนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณสักสามสนาทีนะเจ้าค่ะ อเ อ, ออยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูญอ่ะพีปุณโญเจ้าค่ะสําหรับในกรณีของคุณเทียนทองเนี่ยได้เขียนคําคําสุดท้ายมานะเจ้าค่ะแสดงว่าคุณเทียนทองเนี่ยออยากจะจิตใจสงบอยากจะไม่โมโหนะเจ้าคะ่ะคือแบบว่าทําใจได้ว่างั้นเถอะก็เลยว่าทํายังไงนะถึงจะแบบให้จิตใจเนี่ยสงบตอนนี้คุณเทียนทองใช้คําว่า มีอุบายหลอกจิตยังไงถึงจะทําให้คุณเทียนทองเนี่ยมีจิตสงบไม่โมโหวเวลาเขามาพูดว่าฝ่ายหรือว่าสีที่คุณเทียนทองชอบไปเจ้าค่ะใช่ตรงนี้พระอาจารย์เมตตาแนะนํานิดเถิดเจ้าค่ะได้ละพิลวิธีแก้ปัญหาตรงนี้คือในจิตที่พระพุเจ้านแนะนําเอาไว้คือเรื่องภายนอกให้เขาแก้ไปตามระบบใช่ไหมระบบของการปกครองคุณแก้งไงคุณก็แก้ไปแต่ในจิตของเราเราต้องรักษาจิตของเราเองนั้นในการนี้คือเหตุเราทราบแล้วมันคือตัณหาความยึดถือ นะความยึดถือในสีนั้นสีนี้มากเกินไปเราจะคลายตัณหาเราทำไงใช้มีดสับมันสับมันให้เละอย่าให้มันเหลือมีดตรงนี้ก็คืออริยามรรคมีองค์แพูดง่ายๆแหมพูดแล้วบางทีอาจจะฟังยากอริยามรรคมีองค์แดเอาง่ายๆคือคุณเห็นความไม่เที่ยงนะแค่เราเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นปุ๊บดับใหไปเราจะเห็นความไม่เที่ยงทําไงจิตคุณต้องเป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิทำยังไงใช้ลมหายใจ วเราเราสังเกตเลมหายใจของเราเนี่ยมีลมพึ่มพึมพมขึ้นมาใช่ไหมแหมมันฟังไม่เครืองหูเลยเราต้องสังเกตลมหายใจให้จิตของเราสงบจิตของเราสงบแล้วเนี่ยเราจะเห็นตามที่เป็นจริงว่าไออารมณ์ อ, อันนี้ไม่เที่ยงนะปล่อยวางซะปล่อยวางซะเราก็จะไม่เถียงไม่อะไรเนะทีนี้ไอตรงเนี้ยมันต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะจกค่ะผ ม, มขับจักรยานเราต้องคอยฝึกให้มันคล่องแคล่วนะการทรงตัวต่างๆเราถึงจะใช้งานได้เวลาที่มันเกิดปัญหาจริงๆเจ้าค่ะโยมคิดว่านอกจาก การที่พระอาจาร ย, ย์ไพบุญยพยี่ปุณูได้เมตตาที่จะชี้แนะมาว่าเราต้องฝึกจิตของเราใช่ไหมเจ้าคะ่ะอย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ว่าแล้วโยมยังนึกว่าตอนต้นของรายการพระอาจาร ย, ย์ไพบุญได้เมตตาที่จะชี้แนะอีกจุดหนึ่งว่าคนที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสามีภรรยาอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้มีอุปการะคุณกับเราตั้งแต่เล็กตั้งแต่เรา รู้จักกันค<ช>ือรู้จักกันนานกว่าหน้าการเมืองอหรือคนที่เข้ามาบอกเราว่าเป็นแบ่งเป็นสีนูนสีนี้ถูก<ช>ไหมเจ้าคะ<ช>่ะดังนั้นเราก็ควรจะเห็นตามหรือว่าเห็นแก่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันนี้ทําจิตให้สงบเนี่ยเพื่อให้เกิดความสงบสุขในในในบ้านเราในครอบครัวเราเนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทุกฝ่ายก็มีความสุขถูกไหมเจ้าคะถูกต้องอันนี้คุณเตือนใจสรุปได้ดีมากเลย Mm hmm. เจ้าค่ะก็ขอให้พระอาจาร ย, ย์ไปบูญอภิปุนโนเจ้าค่ะฝากท้ายถึงคุณเทียนทองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านในนาทีสุดท้ายนี้เจ้าค่ะ mm hmm. สําหรับประเด็นเนียเจ้าค่ะซึ่งคิดว่าจะทําให้หลายท่านได้แง่คิดที่ดีๆมากๆเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อ, อรักษาครอบครัวของเราท่านผู้ฟังเลยรักษาครอบครัวของเราเรารักษาครอบครัวของเราได้คนแวดล้อมเราได้เรารักษาชาติได้แล้วเริ่มที่ครอบครัวของเราเลยเดี๋ยวนี้เลย นะเริ่มที่ทิศทั้งของเราเนี่แหละเราจะดูแลเขาอย่างไรนะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทําใจให้มีความมั่นใจในคําสองพระเจ้าแล้วก็ปล่อยวางทําใจให้สบายก็แล้วกันนะเจ้าค่ะอันนั้นก็จะเกิดความสงบสุขทั้งจากใจของเราเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะเจ้าค่ะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ชีวิตมีความสุขครอบครัวมีความสุขก็ทําให้ชาติบ้านเมืองโดยภาพรวมก็มีความสงบสุข อย่างที่เป็นที่ปรารถนาของพี่น้องชาวไทยเราทุกคนในปัจจุบันนี้นะเจ้าคะ่ะ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่เราสนทนามานี้ก็รายการก็หมดลงเวลาลงแล้วนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงจะต้องขออนุญาตที่จะนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาสากกัญชาหรือว่าสนทนาธรรมะกันในเช้าวันเสาร์นี้ก็คงจะกราบพบพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนอีกครั้งนึงในเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็จะมี คำถามดีๆที่จะมากราบเรียนถามแล้วเจ้าค่ะยมนึกไว้แล้วว่าอยากจะกราบเรียนถามอะไรบ้างในเช้าวันพรุ่งนี้จนกว่าจะพบกันในวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะกราบรนมัส ก, การขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ